อะไรน่าคำนึงถึงที่สุดเราตั้งให้ใจนี่มันคำนึงไปในเรื่องอะไรถ้าเราตั้งเต้าได้ใจมันจะคำนึงแต่เรื่องเหล่านั้นเหล่านั้นเหล่านั้นได้ถ้าตั้งไม่ได้ใจมันไม่ยอมคำนึงนั่นถ้าเรามีข้อมูลเยอะๆศึกษาพระธรรมดีๆนี่อะไรควรใส่ใจไว้บ่อยๆใส่ใจไว้บ่อยๆคำนึงไว้บ่อยๆ อ, อย่าลืมว่าวิปัสสนาเนี่ยนะเดินตามอาวัชนะถ้าอาวชนะไม่นึกปัญญามันก็ไม่ทางาน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 นนะกรนนั้นถาว่าด้วยการมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีแล้วก็สังัดวิเวกเนี่ยนะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีวิเวกมีวิริยะสติสมาธิปัญญาอนเออขออภัยวิริยะแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานทัศน ะ, ะถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนั้นแต่ละข้อแต่ละข้อจำไม่ดีนะเอาใหม่นะ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 สำหรับปฏิสัมพิทาในวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ช่งนี้ยังกล่าวถึงภาเวตประธรรมนะนะธรรมที่ควรเจริญในสุตตะมย า, ยายนคุถกาเกายปฏิสัมพิธามัตต์ธรรมหนึ่งอ่ะ น, นะทบทวนในข้างหนึ่งนะว่าธรรมหนึ่งที่ควรเจริญคือกายคตาส ต, ติอันสหรคตด้วยความสําราญ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 อีกชื่อหนึ่งเนี่ยแปลว่าสัมมัตตะก็ได้มิชตะเนี่ยนะก็คือมิชาทิถิมิชาสังกัปตะมิชาวาจามิชากัมมันตะมิชอาชีวามิชาวายามะมิชาสติมิชาสมาธิพวกนี้เรียกว่ามิชตะหรือมิชามักก็ได้เนี่ะมิชตะแปลว่าการปฏิบัติที่ผิดพลาดส่วนสัมมัตตะอริยมัอันประกอบไปด้วยองค์แปด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 คนที่จะรู้จักสัมมามัติเนี่ยนะจะต้องรู้จักมิจฉามัติคนที่รู้จักทางถูกแปลว่ารู้จักทางผิดเอาแล้วไอ้ทางผิดมันเป็นยังไงอย่างมงคลใช่ไหมมงคลเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนเลยว่าอาเสวนาจะพาลานางังปันติตานั่นจะเสวนาพระองค์ให้เว้นจากคนที่ไม่สมควรครบปอนแล้วให้ครบคนที่ควรครบฉันใดมัติแปดก็เหมือนกันเนี่ยนะพระองค์ให้เว้นจากมิจฉามัติคือมิจฉาทิฏฐิกร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 สมาธิมีองค์ห้าทมหกที่ควรเจริญอนุสติหกทรเจ็ดที่ควรเจริญโพชฌงเจ็ดทรแปดที่ควรเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แ8ดทำเก้าที่ควรเจริญปาริสุธิประธานในยังฆะทำเก้าทำสิบที่ควรเจริญก็คือกสิสิบวันนี้มาขึ้นทำแปดทำหมวดแปดที่ควรเจริญ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 ทางเพื่อพ้นคติห้าอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอักคติเนี่ยนะเพราะไม่เป็นไปกับคติทั้งห้าพระนิพพานไม่เป็นไปกับคติห้านี่ก็ทวนนะว่าทางไปนรกก็อย่างหนึ่งทางไปเดรชานก็อย่างหนึ่งทางไปสู่เปรตก็อย่างหนึ่งทางไปสู่มนุษยก็อย่างหนึ่งทางไปสู่เทวดาก็อย่างหนึ่งเทวดานี่รวมทั้งพรหมด้วยตลอดจนถึงสุดท้ายคือทางเพื่อพ้ น, น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 เขาแบ่งเป็นมิฉตะแปดเป็นธรรมที่ควรละกับอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเรียกว่าเป็นธรรมที่ควรเจริญอีกชื่อหนึ่งเนี่ยแปลว่าสัมมตตะก็ได้มิชตะเนี่ยนะก็คือมิชาทิฏฐิมิจฉาสังกัปตะมิชาวาจามิจฉากัมมันตะมิจชอาชีวะมิชาวายามะมิชาสติมิจฉาสมาธิพวกนี้เรียกว่ามิฉตะหรือมิฉามรรคก็ได้เนี่ยนะมิชตะแปลว่า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 ก็คือพระนิพานเอชีวิตของเราเนี่ยนะเราอยู่ปราศจากความเห็นได้ไหมในวันหนึ่งหนึ่งเลยนะเราอยู่โดยที่ไม่มีความเห็นเลยเนี่ยไอคําว่าความเห็นเนี่ยแปลว่าความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะอยู่โดยปราศจากความรู้ความเข้าใจได้ไหมก็อย่างที่กล่าวว่าวันหนึ่งเราตื่นประมาณสิบหกถึงสิบแปดชั่วโมงเนลยนะสิบหกถึงสิบแปดชั่วโมงประมาณเนี้ยต่อวันหนึ่งแล้ววันหนึ่งเนี่ยตื่นตั้งสิบแปะสิบหกถึงสิบแปดชั่วโมงเนี่ยเรามีความคิด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 ว่านี้คือสาระตอนนี้ที่เราจะพึงยึดถือก่อนนะยึดถือเอากุศลยึดถือเอาสัมมาทิฐิเหล่านี้เอาไว้ให้ให้มั่นเนี่ยนะยึดถืออะไรมั่งทวนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเราจะถือเอาร่องสัมมาทิฐิเป็นหลักนะทวนนะถือเอากรรมสุตามยญาณสัมมาทิฐิเป็นหลักสุตามยญาณนี่คืออะไรอ่ะนะ รู้สิ่งที่ควรรู้ยิ่งสิ่งที่ควรกําหนดรู้สิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรเจริญสิ่งที่ควรทําให้แจ้งนี้เหตุอันนี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อมนี้ส่วนแห่งความลารงอยู่นี้ส่วนแห่งความพิเศษวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปนี้ส่วนแห่งการชํำระกิเลสนี้อันนี้จังเพราะสิ้นไปทุกขงังเพราะหน้ากลัวอนัตตาเพราะไม่มีสาระนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธคามิหนีปฏิปทาอันนี้เป็นสุดตามยายนเมื่อเราเข้าใจ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 ความเข้าใจว่าเบื้องลึกที่สุดของสิ่งเหล่านี้จริงๆก็คือขันอยิยตนะธาตุทุกทวารคือขัอนาาอินนะยตนะธาตุนะแยกแยะเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดแล้วเข้าใจด้วยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งโ ว, วหารเป็นที่ตั้งแห่งคําพูดเป็นที่ตั้งแห่งการสื่อสารแต่ค่าที่เป็นจริงความเป็นจริงคือขันอยิยตนะธาตุที่จริงมันมันคล้ายๆกับไ อ, ไอไวิชาพวก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 สงสัยไหมว่าอนาคตต่อไปเนี่ยนะมันก็คือชะรามรณะที่มีชาติเป็นปัจจัยปัจจุบันนี้สงสยัยไหมว่าชราและมรณะเหล่านี้ก็มีชาติเป็นปัจจัยสงสัยไหมมันน่าสงสัยไหมไม่สงสยัยมันน่าสงสยัยต่อไปอีกไหมว่มาในอดีตเนี่ยชาติมีพบเป็นปัจจัยไม่สงสัยนะอนาคตเนี่ยสงสัยไหมว่าชาติก็มีพบเป็นปัจจัยปัจจุบันนี้ที่เกิดเนี่ยก็เพราะมี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 6ขั้นตอนก่อนหน้านี้หขั้นตอนก่อนหน้านี้อรอยิยมรรคยึงได้เกิดขึ้น